สิกขาบทที่สองว่าด้วยการด่าบริภาทภิกษุเรื่องพระกับปิตกะ 1,028 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะกูตาคาราศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นท่านพระกับปิตกะผู้เป็นอุปชาของท่านพระอุบาลี อยู่ในป่าชา้าคราวนั้นมีภิกษุณีรูปหนึ่งอายุมากกว่าพวกภิกษุณีชพักคีบรมนภาพพวกภิกษุณีชพักคีช่วยกันนำศพภิกษุณีนั้นออกไปเผาแล้วก่อสถูปไว้ไม่ไกลที่พระของพระกปิตกะแล้่รำให้ที่สถูปนั้นลำดับนั้นท่านพระกัปปิตกะ รำคาญเสียงนั้นจึงทำลายสถูปนั้นเสียแหลกละเอียดพวกภิกษุณีชาพัปปคีปรึกษากันว่าพระกัปปิตกะทำลายสถูปแม่เจ้าของพวกเรามาเถิดพวกเราจะฆ่าพระกัปปิตกะนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งบอกความนั้นให้ท่านพระอบาลีทราบท่านพระอุบาลีนำเรื่องนั้นไปบอกท่านพระกัปปิตกะ ท่านพระกัปิตกะนีออกจากวิหารไปซ่อนอยู่คราวนั้นพวกภิกษุณีชาวพคีเข้าไปที่วิหารของท่านพระกัปิตกะตั้งอยู่ครั้นแล้วช่วยกันขนก้อนหินและก้อนดินทับวิหารของท่านแล้วจากไปด้วยเข้าใจว่าพระกัปิตกะบรณภาพแล้วครั้นราตรีนั้นผ่านไปท่านพระกัปิตกะครองอันตรวาสก ถือบาทและจีวรเข้าไปบินทาบาทในกรุงเวสาลีแต่เช้าพวกภิกษุณีชาวพกีเห็นท่านเดินเที่ยวบิทธทบาทอยู่เล่าวันอย่างนี้ว่าพระกัปตกะยังมีชีวิตอยู่ใครกันนะ ท, นนทะี่นำแผนการของพวกเราไปบอกครั้นได้ทราบว่าพระคุณเจ้าอุบาลีนำแผนการของพวกเราไปบอก จึงพากันด่าท่านพระอุบารีว่าท่านผู้เป็นทาตรับใช้เมื่อเวลาอาบน้ำคอยถูขี้ใครมีตระกูลต่ำคนนี้ฉนัยจึงนำแผนการของเราไปบอกเล่าบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโทนทนาว่าฉนัยพวกภิกษุณีชัวพกีจึงด่าพระคุณเจ้าอุบารีเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นาเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบ